เมื่อกี้คุยกับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวบอกเขาว่ามีเวลาสิบห้านาทีเขาทำกันบ้านมาดีสิบห้านาทีคุยได้ตั้งเยอะนะพวกเราบางคนส่งกันบ้านนะสิบนาทียังไม่มีเนื้อเลยนคนเตรียมกันบ้านมาดีนะมันใช้เวลาสั้นนิดเดียวพูดได้เยอะมากเลยคุยกันได้เป็นสิบเรื่อง น่ากลัวนคนญี่ปุ่นเขาทำงานจริงจังกว่าเราน่ากลัวพูดไทยได้ด้วยก่อนสงครามโลกนะคนไทยรกักคนญี่ปุ่นมากเลยเป็นหมอฟันมาทางานทำอะไรค้าขายใจดีประกอบรับญี่ปุ่นขึ้นนึง่ลงกใส่เครื่องแบบเลยเขาถึงเป็นมหาอนาจได้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 แต่ไม่เรียนไม่ใช่ชาวพุทธหรอกพยายามถามหลายเรื่อง<ม>เรื่องรัฐบาลส่งเสริมศาสนาพุทธไหมไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยตามข่าวมานานแล้วแต่นักการเมืองนะรัฐบุรุษเนะี่ยไม่เหมือนกันรัฐบุรุษเขาจะมองอนาคตของประเทศชาตินักการเมืองจะมองอนาคตของผลประโยชน์รัฐบุรุษหายากยาก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 เวลาทํางานต้องทําจริงๆเวลาเรียนธรรมะก็ต้องเรียนจริงๆของเราเล่นเกินไปเล่นเหยอๆใหญ่ๆอ่อนแอไม่ได้นะอต่อไปตรวจกันบ้านวันนี้วันที่สี่แล้วอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดนะพรุ่งนี้ไปเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรอุดมแต่เขาไม่ได้ให้คนนอกเข้าหรอก ก็จะบังคับเด็กมาเรียนเวรกรรมของเด็กอะหลวงพ่อคะวันนี้อยู่วัดวันสุดท้ายอ่ะคะ่ะอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อคะ่ะก็ขยันเอาสินะค่ะรู้สึกกายรู้สึกใจการภาวนาจะมีอะไรก็มีเท่านั้นแหละรู้ ก, กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นฝึกไปขอบพระคุณค่ะมันเข้าใจเมื่อไหร่มันก็วางเมื่อนั้นอะ ขอการบ้านด้วยค่ะไปดูโมหาะาไว้โมหะเยอะโมหะโทสะนะการบ้านมีทั้งวันแหละไปดูเรื่อยเรืยดีเดี๋ยวนี้ดูเป็นแล้วูออกไหมแต่โมหะเนี่ยยังเป็นกลางได้โทสะยังไม่ค่อยเป็นกลางนะไปดูออเอาครับเออคือว่าเออเพลย์เยอะอยู่อ่ะเพลยแล้วมันบางทีก็ทีนี้อยู่อ่ะเพ่งมากบาดีเพลยแล้วมันจะธรรมดานะ เผอก็เพ่งานธรรมดาคล อ, อนบ้านนะครับหลวงพ่อเราไม่ห้ามมันหรอกอเราก็แค่ดูว่าจิตตกีเผลอจิตตกี้รู้สึกจิตตกี้เพ่งอะไรเงี้ยทั้งสามัญนั่นเสมอกันระหว่างเผลอไปรู้สึกเพ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่ใช่ฝึกเอารู้นะไม่ใช่ฝึกเพื่อปฏิเสธการเผลอและการเพ่งแต่ถ้ารู้รู้ว่าเผลอก็เกิดรู้ขึ้นมา ถ้าเพ่งไว้รัว่าเพ่งบางทีไม่หลุดออกม า, าเพราะเผลอเนี่ยเป็นอกุศลแต่เพ่งบางทีเป็นกุศลนะจิตสงบจิตอะไรเงี้นเป็นกุศลมีสติขึ้นมามันไม่จําเป็นต้องดับก็แค่ดูไปทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแล้วไงอีกมีอะไรอีกไหมนี่กอบดูแลลานทำอยู่ใช่ไหมตอนนี้เอาต่อไปเชิญส่งกันบ้าน วิธีที่จะเฉวยกันบ้านได้เยอะคือพวกเราอย่าพูดเยอะเอาแต่เนื้อๆ น, นะไม่ต้องอารมณบทหลวงพ่อเอาโหสีให้ทุกคนนะไม่ต้องขอขอมามีทุกวันเลยเสียเวลามากเลยเก้าสิบส่อาว่าไป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 หัดเคลนไหวร่างกายนะครับก็ดูกายแล้วก็ดูจิตไปบางครั้งดูจิตมันก็หลงนะครับแต่ม า, างขณะที่จิตมันาบางครั้งมันลุกรู้คําธรรมะเนี่ยคือผมสงสัยว่ามันมันเป็นธรรมะปิปัติเองแค่รู้นะแค่รู้แค่รู้เราทิ้งไปทุกอย่างไม่ได้รู้เพื่อเอารู้เพื่อวางถึงมันสอนธรรมะมาก็รู้ไปงั้น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 น้มัส ก, การเจ้ค่ะคือโยมขอกราบเรียนถามด้วยในการว่าสภาวะจิตของโยมปกติดีเปล่าเจ้าค่ะตอนเนี้ยดีดรู้สึกมันมันเป็นไงมันหลายครั้งมาแล้วที่โยมจะส่งกันบ้านด้วยกันสภาวะที่โยมตั้งใจจริงจริงที่ที่เห็นจริงๆพอจะส่งแล้วมั น, ม, นมันเกิดเบลอไปอแล้วก็มนก็ลืมไปเลยไม่เป็นไร ล, ลืมแล้วแล้วไปนะ okay.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 เนี่ยนักปฏิบัติส่งกันบ้านมันก็สั้นๆแค่นี้ถ้านักประพันธ์เนี่ยส่งกันบ้านยาวมากเลยกับนาฏการครับเขาที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อบอกให้ดูจิตกับดูกายนะครับในหลวงพ่อดูหน้าซิจําไม่ได้คนไหนครับถ อ, ถอดหน้ากา ก, ากหน่อยเออใส่ไปครับจาได้แล้วอ้าววันน ไ, ไปดูจิตก็มันจะเห็นแต่ความทุกข์เป็นแต่ความปุ๊บตังอของของจิตขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละของจริง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 ขณะนี้จิตตั้งมั่นไหมขณะนี้ก็จิตถึงฐานไหมขณะนี้เลยคิดว่าก็อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแตยย่ยังไม่น่าเในใจขณะนี้เหรอคิดว่ารู้ตัวแล้วยังตัวเนี้ยคิดว่ารู้แล้วนะยังโม่ๆนิดนึงครับมันอยู่นอกๆนะจิตไม่ตั้งมั่นะ่ะจิตอยู่ข้างนอกโลง่งๆว่างๆออกมาอย่างนี้รู้สึกไหมลองย้อนเข้ามาดูกิเลสในใจสิ <S <S <S <S เห็นไหมมันดีดออกมามันไม่เข้าไปดูนะให้รู้ทันนะว่าจิตไม่ตั้งมั่น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 ให้รู้ทานว่าจิตไม่ตั้งมัน่นรู้ทานว่าจิตไม่ถึงฐานอย่าตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมครับแล้วมีความอยากพุดขึ้นมา อ, อย่างเงี้ยแล้วก็รู้เอาหลงไปคิดอีกละทราบไหมแล้วไปกดเอาไว้ทราบไหมนะดูบ่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะได้หลุดจากไอ้ว่างๆนะหัดดูสภาวะไปครับดีบที่มาถามหน้าบุญละที่มาถามไม่งั้นจะเป็นพระอรหันต์ดิบอยู่ตรงเนี้ยต่อ<ๆ>ไปโล่งว่างไปเลยขอบคุณครับหลวงพ่อครับเบอร์ห้าิบลวงพ่อเครติด พูดเต็มปากเต็มคำนะนะจันมหาบัวท่านแก้ให้เอาเบอร์ห้าสิบอยู่ที่ไหนสามเดือนที่แล้วผมก็ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครับก็จิตติดเพ่งดดแล้วก็ตึงความรู้สึกเอาไว้ที่กายนะครับ<อ>จนไปต่อไม่ได้<อ>ใจยอมแพ้แลยคิดว่าชาตินี้คงได้แค่นี้อพอยอมแพ้ปุ๊บมันก็ไปเห็นว่าที่มีอัตราว่าจะต้องดูขาดทุกตัวปรากฏว่าที่เห็นน่ะคือจิตผู้รู้จิตผู้รู้เป็นทุกข์ เป็นอนัตตามันย่อมจะต้องดูออกบ้างไม่ออกบ้างเถ้าดูเป็นอัตไม่งั้นก็เป็นอัตตาไปแล้วใช่ถูกต้องก็เลยรู้ว่ายังไม่ยังดูไม่พอเห็นไหมพอเข้าใจนัการพอหนักก็ง่ายครับมันพอหนายากเพราะเราไม่เข้าใจมันอันเบอร์ยี่บสี่คุณทําได้ดีนะขอบคุณค่ะยี่สิบสี่อยู่ที่ไหนรัศกาลหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านรอบสองเดือนอ๋อ ลงวงพ่อให้ไปดูอนุสติอะค่ะพ่อคิดเยอะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอสองเดือนที่ผ่านมาก็ยังฟุง้งซ่านอยู่กําลังมันน้อยไปหรือเปล่าคะอะไรนะกําลังมันน้อยไปหรือเปล่าคะมันนิดหน่อยนะไม่น้อยมากหรอกกาลังก็พอใช้ได้อ่อนไปนิดหน่อยถ้าอย่างนีต้องไปหัดเดินจงกรมหรือทําสมาธิปะ่ะคะใจมันฟุง้งซ่านเยอะนะไปเดินอย่ยไปเดินบังคับนะแค่เดินเห็นกายมันเดิน ถ้าไปเดินมุ่งเอาความสงบเนี่ยจะไปกดมันได้เครียดเราไม่ได้พาวนาเาความสงบหรอกเราภาวนาแล้วก็ตามรู้ไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุงา้งซ่านจิตไม่ชอบฟุง้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบเนยหัดดูอย่างนี้ก็ได้ะอย่างตอนเนี้ยจิตหนีไปคิดทราบไหมทาบค่ะหนีออไปหนีไปอีกแล้วทราบไหมหนีไม่ทันค่ะไม่ต้องทันนะหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงแล้วไง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 เบอร์ร้อย <110. S 3> สิบกราบด้วยวัสดการหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบสามเดือนนะครับครั้งแรกหลวงพ่อบอกว่าจิตตื่นแล้วทีนี้ได้มาสังเกตดูกายดูจิตเห็นรู้สึกว่ากายมันอยู่ห่างๆครับหลวงพอ่อแต่ยังก็มีข้อสงสัยจะรบกวนหลวงพ่อคื อ, อ, อไม่รู้ว่าตอนนี้จะติดออกว่างๆหรือเปล่าคือจิตกระจายจิตดไม่ต้งมั่นใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับ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 อเชิญเบอร์สินมัศการค่ะพอดีหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะไม่อยากทราบว่าต้องดูกายหรือดูจิตนะคะมีอะไรให้ดูเอานั้นแหละเอาให้มันได้สักอันหนึ่งเพราะว่ามันฟุ้ง <c oughs> ต้องดูจิตใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่มันฟุ้งมากๆนะก็ต้องพุโทโธไปพุโทโธเล่นๆพุโทโธแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ว่าใจหนีไปคิดอะไร่งเงี้ยแล้วก็มาพุโทโธอีกไม่ใช่พุโทโธเพื่อไม่ให้คิดนะพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทำเล่นๆไป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 อันแรกอะเ <c oughs> ชื่ออันหลังไม่ค่อยเชื่อ <c oughs> ก็แบบดีในใจอย่างเงี้ยเวลาแบบเหมือนกับใจมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบเวลาร้ายก็ร้ายแบบร้ายแบบอ <c oughs> ย่างนี้เขาเรียกคุ้มดีคุ้มร้าย <c oughs> <c oughs> หนูก็เลยอยากรู้ว่าหนูอ่ต้องแบบดูจิตไปค่ะนะเห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงดูจิตไปกรรมฐานนด้เหมาะแล้วขอบคุณค่ะ76เชิญนรัสการหลวงพ่อครับ อยากจะทราบว่าตอนนี้ผมมีปัญหาอะไรอยู่หรือที่ต้องแก้หลวงพ่อจะไปรู้เหรอคุณมีในการภาวนาครับ อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนํำครับเ<อ> <laughs> พราะว่าเคยมาส่งเมื่อปีที่แล้วแล้วหลวงพ่อชี้ให้เห็นว่าดึงไปแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าชี้ว่าอะไรนะชี้ให้เห็นว่าดึงไปดึงไปแล้วครับอล้วตอนนั้นมันก็แบบอึง้งอึงขึ้นมาครับดูไปสินะใจเรายังไม่สงบไม่ตั้งมั่นเราก็รู้เอา ใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้เอารู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยตอนเนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมทราบค่ะใจไหลไปคิดรู้ว่าใจไหลไปคิดอผม <ไป S 1> จะดูแบบหลงหลงไปแล้วมัน <ลง S 1> จะเห็นหลงไปบ่อยๆอะครับนั่นแหละดีใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าใจไม่ตั้งมั่นนะรู้สึกไหมใจมันก็โล่งๆโปร่งๆออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกันออืแล้วหลวงพ่อเคยบอกผมว่า เมื่อปีที่แลาวที่มาส่งหลวงพ่อทําหน้าให้ดูว่าผมแบบลอยๆไปอย่างเงี้ยครับเออตอนนี้ไม่ลอยขนาดนั้นละยังเชดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยนะมันเริ่มรู้เนื้รู้ตัวแล้วแล้วผมต้องมาหาหลวงพ่อบ่อยๆหรือเปล่าครับสังเกตที่ใจเรานะใจเรายังไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมใจเราโล่งๆว่างๆออกไปครับนะอย่าให้ไปติดในความโล่งความว่างนะยังไม่เข้าใจคําว่าไม่ตั้งมั่นครับ ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะเหมือนใครจะบรรยายว่าแอปเปิ้ลรสชาติยังไงพูดยากนะอรู้จักจิตที่หลงไหมรู้ครับ ร, ร, รู้หลงบ่อยๆนะเขาผมหลงไปในความคิดบ้างหลงไปทางตาบ้างหลงไปทางหูอย่างแต่นนี้หลงไปในความคิดแล้วทราบ <ขอ S 1> ไหมเขาผมอ๋อเ น, นี่ยจิตที่หลงไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะให้รู้ทันว่ามันหลงไปได้เลย แล้วก็พอมันไปอยู่ในความโล่งความว่างมันก็หลงไปอยู่ในความโล่งความว่างบางทีรู้สึกสบายโล่งๆขึ้นมาอันนี้ก็หลงอยู่ถ้ารู้ว่าหลงอยู่นะมันจะถอนตัวขึ้นมาเองอ่าต่อไป<ข>อเบอร์ห <54. S 1> ้าสิบสี่โอ้วันนี้หลวงพ่อสบายนะเดี๋ยวหลวงพ่อสอนได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะที่เหลือนะแนะนำไปถามแม่ชีถามอาจารย์สุรวัตถามอาจารย์หนุย่ยแล้วก็ถามครูบาอา มีหมอนัดมาไหมคุณมาลีนี่อีกคนหนึ่งเห็นแวบๆวันนี้มีผู้ช่วยเยอะเลยค่ะกลาบธรรมสการพระอาจารย์หนูเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ได้เคยได้ฟังซีดีของพระอาจารย์แล้วขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคค่อยหัดอยู่นะที่หัดดูอยู่ก็ช่วยได้แล้วนี่คอยรู้กิเลสอะไรมาก็คอยรู้กิเลสอะไรมาก็คอยรู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายสบาย รู้สึกเปล่าว่าใจสบายขึ้นก็ก็ยังแต่ก็ตื่นเต้นด้วยให้ตื่นเต้นในเฉพาะหน้าตอนนี้แหละไปหัดดูต่อนะที่ฝึกยูใช้ได้พระอาจารย์คะพอดีหนูมีเพื่อนมาคนหนึ่งเขามีทุกข์มากนะคะเหรอขอขอขอหนึ่งนะคะเอาเอมีทุกข์มากแล้วทําฉันใดดีการงานนิสการกับพระอาจารย์ครับคือผมคือมันมีทุกทางใจนะคือทุกข์ผมเกิดจาก เป็นเกี่ยวกับทุกทางใจล้วนๆเนี่ยฮะที่ออมันไม่ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยหรือว่าแก้แก้ตกได้ทุกเนี่ยนะถ้าเราอยากให้หายเนี่ยยิ่งทุกข์มากคือมันมันทุกออจิตใจมันจะมีแต่ความทุกข์ขุนมัวเศร้าหมองแล้วก็มันจะเผ็ดร้อนแล้วมันจะมันจะมีความร้อนเหมือนถูกไฟเผาเผามาอยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่ตั้งแต่ต เ, ดเด็กจนจนบัด น, นี้นะะตลอดชีวิตนะคุณภาวนาดีนะ คุณไม่ใช่ภาวนาไม่ดีคุณรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางไปแต่มันแต่มันไม่สามารถจะปล่อยวางหรือปลดปล่อยจุดนี้ได้มั น, มนมจุดที่ทําให้คุณก้าวต่อไปไม่ได้นะก็คือคุณปฏิเสธทุกข์นะคุณเห็นความจริงแล้วว่าจิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยแต่ใจลึกๆเนี่ยไม่ชอบอยากให้มันเป็นตัวสุขขึ้นมาสุขจริงๆไม่มี ผู้มีสติมีปัญญาอย่างที่คุณฝึกมาเนี่ยคุณมีสติคุณมีปัญญาแล้วคุณเห็นความจริงแล้วว่ามันมีแต่ทุกข์ล้นล้นเลยนะแต่ว่าใจคุณไม่ยอมรับมันงั้นให้คุณรู้ทันใจที่ไม่ชอบทุกข์ถ้าใจคุณเป็นกลางต่อทุกข์นะมันก็จะผ่านไปได้ทุกข์นี่ไม่ได้มีเอาไว้ละพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้แต่คุณอยากละคุณอยากให้มันหายไปอนะไรอย่งี้ ทุกเป็นของจริงในโลกอยากให้หายไปไม่ได้มันต้องมีอยู่มันอยู่ที่ว่าถ้าใจเราเป็นกลางต่อทุกนะใจก็จะพลากออกจากทุกไม่ยึดถือมันคุณฝึกมาดีแล้วนะคุณไปดูใจที่ทุกอะแล้วก็รู้ทันว่าใจที่ไม่เป็นกลางอะคอยรู้ตัวนี้ไว้บ่อยๆแต่ถ้าไม่ไม่ไม่สามารถที่ทีนี้ทีมันควาทุกข์เราไม่ได้มุ่งให้หายนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หายทุก ทุกเป็นของมีอยู่ประจําโลกทุกไม่เคยหายไปไหนผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นโลกเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกผู้ไม่มีปัญญาหรอกถึงจะหลงว่าโลกมีความสุขเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้โลกเนี้ยมีความสุขไม่ได้ภาวนาเพื่อให้โลกเนี้หมดจากความทุกเหมือนกับเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ไฟไม่ร้อนนะไฟอะไรก็ร้อนโลกนี้ยังไงก็ทุกเพียงแต่ว่าใจเราไม่ยอมรับสังหขงถึงเป็นปัญหาขึ้นมา ถ้าใจยอมรับความจริงว่าโลกนี้เป็นทุกข์ล้นล้นไม่มีทางหรอกที่จะไม่ทุกข์ใจยอมรับตรงนี้นะใจจะสลัดตัวออกเลยคุณทํามาเยอะแล้วนะคุณภาวนาเอา แ, แล้วขอญาตถามอาจารย์นิดนิดครับทีนี้ความเผ็ดร้อนที่เหมือนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลาที่มันมันตรงนี้มันเป็นทุกข์ทรมานที่มันทนยากมากฮะมันตรงนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรพระอาจารย์เป็นผลของพิบากแล้วนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมารู้ลูกเดียวเลย ทำคำใหม่ไปเรื่อยหมายถึงว่ามีสติรู้ไปรู้ด้วยใจเป็นกลางของคุณจับคำว่ากลางไว้นะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความแสบร้อนพระเจ้าบอกเลยนะมีแต่ทุกข์นะไม่มีสุขหรอกการที่คุณภาวนาตั้งแต่เล็กๆมาคุณเห็นโลกนี้เป็นทุกขนะ์เนื่อเพราะเรามีของเก่าเราสร้างของเรามาแล้วนะสติปัญญาเรามีอยู่จิตของคุณตื่นจิตของคุณไม่ใช่ภาวนาไม่เป็น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 ที่นี่ตรงนี้จะแก้ไขยังไงครับตามดูไปเรื่อยนะไม่มีทางแก้ไขเลยอยู่ที่ปัญญาพอเมื่อไหร่ก็ทิ้งกันเมื่อนั้นนะคือภาวนาเนี่ยยากนักนะที่จะเห็นทุกข์ล้วนๆโดยเฉพาะยากเหลือเกินที่จะเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆคนในโลกเห็นแต่ว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างภาวนากันฟางตายเลยล่ะถึงจะเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์แต่เมื่อเห็นว่าจิตเป็นทุกข์แล้วเนี่ย จิตไม่เป็นกลางจิตยังอยากให้มันพ้นจากตัวนี้ไปนะเรียว่าไม่ยอมรับทุกข์แล้วจิตยังไม่ยอมรับอยู่จิตยังดิ้นรนอยจิตก็ยิ่งทุกข์ซับซ้อนเข้าไปอีกนะค่อยๆสังเกตตัวนี้ดูก็แล้วกันนะอย่าคิดว่ามันจะหายสิคิดว่ามันต้องทุกข์อย่างนี้ตลอดไปนะถ้าหวังว่ามันจะหายนะใจก็ดิ้นไม่เลิกหรอกหลวงพ่อนะดีใจแทบตายเลยตอนภาวนาเราเห็นทุกข์ล้นลนั่ น, นะ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 ก็คือผ่านมาเกือบๆหนึ่งปีจากติดเพลงติดประคองนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีติดเพลงติดประคองแต่เบาบางลงอะค่ะหลังจากที่ใจมันช่วงหนึ่งมันแบบว่าทําด้วยความอยากอย่างมากนะคะแล้วก็จนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันมันเหมือนแบบมันไม่มันมันเหมือนมันมันอยากยอมแพ้ไงค่ะแต่ก็ยังดูต่อไปแต่หลังจากนั้นก็แบบก็เริ่มเริ่มเริ่มเห็นว่าแบบมันบังคับไม่ได้อ แล้วพอเห็นสภาวะหนึ่งเนี่ยคือสภาวะนั้นเนี่ยเกิดตอนช่วงที่จะนอนอ่ะนะคะแล้วก็คือนอนจเจริญสติไปเรื่อยๆเออพอดูไปเรื่อยๆนกก็เห็นตัวเองนอนอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยปุ๊บมันก็แบบเหมือนเห็นว่าตัวเองเนี่ยที่นอนอยู่ในห้องอะค่ะกลายเป็นแบบเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแบบจั ก, กรวาลกว้างอะค่ะเออถูกแล้วนี่ที่เห็นนี่คือเห็นจากปัญญาหรือสัญญาะคะเห็นจากปัญญาค่ะ แต่ตอนนี้อยากให้ใจติดนิ่งนะค่ะรู้สึกมันตอนนี้มันจะเหมือนโมโมมองหมอมอ ง, มองออไม่ค่อยเห็นมันมันไม่มีเรี่ยวมีแรงใจมันไปติดนิ่งๆเฉยๆอยู่ค่ะ Active หน่อยคือตอนนี้จะปฏิบัติในในรูปแบบคือดูกายเป็นหลักอะคา่ะแล้วก็จะเห็นแลปลุกใจให้ Active วันนี้ค่ะให้เขาใช้อะไร Active ให้มันคึกคัก ก, กับปรี่กระเป่าใช่ไหมเนี่ยมีคนตอบว่าหลงวงพ่อว่าพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ บางทีเรานึกศับไม่ออกอบางคำนะมันแปลเป็นภาษาไทยยากนะแบกกล่าวหยืออะไรจะใช้แปลว่าอะไรืฉากหลังหืออะไรฟังแล้วไม่รู้จะแปลว่าไงบางทีไปทำอีกนะใจ<ะ>มันเฉยเนืยไปแอคท<ะ>ีฟไว้ะอะไรกระปรีกก้กระเป๋าไว้ร้<ะ> 1> 1. อยสี่สิบหนึ่งว่าไป นมัสการครับหลวงพ่อผมผมนี่เป็นทิฏฐิจริตใช่ไหมครับฮทำไมคิดอย่างนั้นล่ะก็แต่บางทีผมว่าคิดว่าผมเป็นตันหาจริตนะครับเออแล้วตกลงเป็นอะไรก็อยากให้หลวงพ่อไม่ใช่พ่อคิดมากหรอกนะทำใจสบายๆให้ใจมันสงบใจสบายแล้วก็ดูกายเป็นยืนเดินนั่งนอนไปเห็นกายมันหายใจออกหายใจเข้า ใจของเราเป็นแค่คนดูนะ่ะฝึกอย่างนี้บ่อยๆไปหลวงพ่อเคยสอนผมตามรู้กายเมื่อปีที่แล้วครับผมก็ฝึกแล้วไม่กี่วันมันก็ได้ผลดีแต่ว่าช่วงเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมฝึกอย่างนั้นไม่ค่อยได้นะครับแล้วทําไมละ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่การพาวนามันล่มไปอะครับล่มแล้วอย่าไปอยากให้ดีนะจริตนิสัยคุณอนะมันเหมาะกับการดูกายมันไม่ใช่จิตจิจริตหรอกพยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะ เห็นไหมร่างกายหายใจออกเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูอะไรเงี้ยค่อยๆดูสบายๆทําความสงบขึ้นมาก่อนนะให้จิตใจมีความสุขจิตใจสบายแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆเหมือนเราเห็นคนอื่นมันทํางานเราดูกายชัดเจนมันก็จะเห็นจิตชัดเจนด้วยอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดแล้วทราบไหม ครับนิดนึง เ, ออนเวลา อ, อ, อะไรนะแป๊บนึง่งเวลาที่ผมนั่งสมาธิบางทีเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะครับเออมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันจะแบบบางทีหลายครั้งอลไรมันเพ่งครับ ม, มันตั้งใจมากไม่รู้จะยังไงดีก็ให้รู้สิ น, นะว่าความโลภมันเกิดมันอยากปฏิบัติเลยตั้งใจเยอะมันแข็งแข็งแล้วใช่ถ้าแข็งแข็งมันผิดอหะนะพ ย, พยายามฝึกในชีวิตประจําวันเยอะๆหน่อยทาใจสบายๆก่อนอย่าไปกังวลอย่าไปกลุ้มใจ สบายบายแล้วก็ดูกายดูใจไปนะเห็นกายเมื่อไหร่ก็เห็นใจได้จิตแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับของคุณนะคุณภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะใจของคุณตอนนี้มันค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเยอะลอะอะต่อไปร2อยยี่สิบสามนำมาสการครับหลวงพ่อผมมาส่งกันท้านครั้งแรกครับ ฟังผมจะชอบนอนฟังซีดีของพ่อก่อนนอนครับแล้วก็มีอยู่ครั้งแรกมันฟังไม่ยอมหลับเลยก็เลยลำคาลุกขึ้นไปปิดครับกวนนอนไม่หลับ ม, มีอีกสองสาวันครับนอ น, นอนฟังซีดีของพ่ออยู่เหมือนกับสติมันตั้งขึ้นมาครับแล้วก็กระวนกระวายใจเห็นกายที่นอนอยู่เนี่ยครับ มันทุกข์ทรมารแสนสาหัส mm hmm. อมันพลิกไปท่าไหนมันก็ยังทุกข์อยู่ mm hmm. เพราะว่าผมปกติจะชอบนอนท่านี้พอไปนอนท่าที่ชอบมันก็ยังทุกข์อยู่ครับ mm hmm. แล้วมันก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเข้ามาเรื่อยๆครับมันก็ยังทุกข์ทั้งคืนอยู่งั้น uh huh. จนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาปิดซีดีหลวงพ่ออีกรอบปิดซีดีแล้วมันหายทุกข์เหรอคือมันก็เหมือน <c oughs> ผมก็ไม่ทราบเหมือนกับว่า <c oughs> ผมแ ต, แต่มันยังมันยังไม่เห็นคําว่าเขาเป็นผู้ทุกข์นะครับแต่ยังเห็นว่าตัวผมเป็นผู้ทุกข์อยู่คือมันก็ยังมีเสียงของพ่อแทรเข้ามาว่าเฮ้ดูไปสิว่าเหมือนกับให้เหมือนกับอยากมันเขาคงอยากจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับมันก็ยังกายนี้ทุกข์กายขอโทษนะครับหลว่ายังกายกูนี้ทุกข์อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันยังยึดเป็นกูอยู่มันก็มีกูก็ถูกแล้วล่ะ เราไม่ต้องแกล้งดัดจริตว่าไม่มีกูนะมันมีกูก็มีคือผมรู้สึกว่าบางครั้งมันมันโง่มากอะครับมันมันเห็นแล้วมันแบบมันทำไมมันไม่ฉลาดนึกมันนึกย้อนที่มันใจมันยังไม่พอนะจิตใจของเราเนี่ยมันสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดในสังสารวัตรเนี่ยยาวนานมากมันสะสมความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวกูครนะในการที่เรามาเจริญสติเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่กู นี่บางคนเห็นว่าไม่ใช่ตัวกูนะเพราะมันเป็นทุก mm hmm. มีแต่ตัวทุกน้ํามันห้ามไม่ได้สั่งให้หายไปก็ไม่ได้นะมีแต่ทุกล้วนๆเลยตามรู้ตามดูเนี่ยความรักในกายเนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงมันไม่น่ารักเท่าที่เราคิดหรอกเห็นไม้มความรักความหวงแหนความยึดถือก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้น<ะ>เราเห็นกายเป็นทุกเราก็ยึดถือกายน้อยลงพอยึดถือกายน้อยๆเนี่ยกายมันจะแก่กายมันจะเจ็บกายมันจะตายเราจะไม่ทุรนทุราย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 ทำความสงบบ้างนะครับทาความสงบทกรรมฐานอะไรได้บ้างล่ะก็ทีแรกก็ไปเข้าคอร์ส่องยุบครับคือคือคเออผมจะลืมเล่าตอนไปเข้าคอร์สพองยุบมาครับตอนนั่งสมาธิจะปวดขาแล้วพอพอเห็นว่าขามันปวดอย่างเงี้ยครับเคยฟังว่าเฮ้ยมองวัตถุไปมันมันปวดไม่ใช่เราปรวดอะไรเงี้ยครับเหมือนกับ คิดนํามันก่อนเนี่ยครับสักพักนึงมันก็แยกออกเลยเห็นใจเป็นผู้ดูเนี่ยครับเอออย่างนั้นใช้ได้ผมถึงบอกว่ามันโง่มากต้องคิดนําก่อนไม่เป็นไรคิดนําอย่างนี้ใช่ได้หลวงู่ดูลเคยสอนนะว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดการที่คิดนำเนี่ยคือการอาศัยคิดแต่ปรนําจนขันมันแยกนะก็มีหน้าที่ดูไม่คิดแล้วคราวนี้พอคิดก็ไม่รู้แล้วคราวนี้คือคือที่ผมเห็นมานี่เป็นของจริงไม่ใช่คิดเองใช่ไหมครับเออของจริง บบเบอร์หกสิบเจ็ดอย่างนั้นใช้ได้นะที่ฝึกแยกขันออกไปก า, การเปนวัศการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อ6เดือนที่แล้วการบ้านคือจิตไม่ตั้งมั่นนะคะหลวงพ่อให้ว่าจิตตั้งมั่นปัญญาจึงเดินก็กลับไปลองดูช่วงต้นๆก็ยังเหมือนไม่เขาไม่ค่อยเข้าใจก็ไปปฏิบัติในรูปแบบคือนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าตอนนี้ ตั้งมันแล้วทีนี้อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่คิดว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วนี่ใช่หรือเปล่ามันไม่ฟุ้งซ่านอย่างแต่ก่อนนะค่ะแต่ว่ามันตั้งไม่ถึงฐานมันดีเดียวหรอกอ๋อค่ะสังเกตไ้มใจมันอยู่ใจมันโล่งๆอยู่นอกๆอย่างอ๋อ่ะรู้สึกไหมมันเหมือนเป็นโล่งอยู่แถวเนี้ยมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองค่ะถ้าตอนนี้รู้ออกใช่ไหมมันไม่ย้อนตอนนี้ไม่ย้อนเนี่ยค่ะถ้ารู้อย่างนี้ใช้ได้อย่าดึงให้ย้อนนะ ถ้าเขาย้อนของเขาเองใช้ได้ดีใช้ได้ค่ะแล้วมีคําแนะนําที่กลับไปให้รู้ทันสภาวะทุกอย่างหลยนะจิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นไปจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าจิตเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้แต่เนี้ยจิตไปคิดใช่ไหมใช่ค่ะรู้ทันอย่างนี้รู้ไปได้ดูเขาทํางานดูจิตปรุงแต่งแล้วอย่าไปปรุงแต่งจิตเสเองค่ะ ปรุงแต่งจิตเช่นจิตไม่ดีหาทางทําให้ดีจิตไม่สุขหาทางทําให้สุขจิตไม่สงบหาทางทําให้สงบนี่เรียกว่าเราปรุงแต่งจิตแต่ถ้าจิตปรุงแต่งเรามีสติตามรู้ใช้ได้คนในโลกที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยจิตปรุงแต่งตลอดเวลาแต่เขาไม่มีสติตามรู้ผู้ปฏิบัตินะปล่อยให้จิตปรุงแต่งเหมือนคนธรรมดาในโลกนี้แหละเราไม่ได้ต้องการเป็นคนผิดธรรมดาจิตมันก็ปรุงแต่งไปธรรมดาแต่เรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆค เอา142ขอบคุณค่ะ น, นมาสกาหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้มันตื่นเต้นแล้วก็กดๆไวนิดนึงเออช่างมันสิคะ่ะแ่วันนี้คือหนูรู้สึกว่าช่วงไม่กี่เดือนเนี้ยจิตใจมันโปลง่งโล่งเบามากกว่าเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็ฟุ้งซ่านมากไม่ห้ามนะไม่ห้ามมันหลวงพ่อพุพทธเคยสอนนะบอกว่าฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคาบเส้นกัน ถ้าสงบนิ่งเฉยเลยไม่เกิดปัญญาหรอกถ้ามันมีฟุ้งซ่านนะมันทํางานไปเรื่อยๆแล้วเรามีสติตามดูไปก็เกิดปัญญาใช่ไหมนี่จะใช้เทคนิคคือเดินแล้วดูนั่งดูหรือว่านั่งดูจิตไปเฉยๆเลยค่ะหลวงพ่อเราควรมีข้อวัดแบบไหนก็เดินไปสิน ะ, ะเดินไปเรื่อยๆเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานมันไม่หยุดเลยคะะ่ะแบบไม่ได้ฝึกให้หยุดน ะ, ะจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตไม่หยุดปรุงแต่งหรอก มันไฟมีหน้าที่ร้อนนะไฟก็ต้องร้อนแหละแล้วช่วงหลังหนูรู้สึกว่าจิตหนูมันมันมันใช้ใกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นมันโกรดคนสั้นลงคือมันยังกกรดแรงนะคะแต่ว่าระยะเวลามันสั้นลงไอยเดงนั้นใช้ได้ถ้าไม่โกรดเลยแล้วก็ติดว่างทีนี้หนูก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากความคิดหรือว่าเกิดจากที่เราเราพอนานแล้วจะทา จะพอจะทํายังไงต่อก็ผิดแต่ว่าก็อยากจะถามจะทํำยังไงต่อก็ทําไปสินะเดินไปดูกายทํางานดูใจทํางานไปด้วยอย่าทิ้งกายนะของคุณอะดูกายไปด้วยเบอร์52าสิบสอกับนวัตสกานหลวงพ่อครับคือผมอยากจะสอบถามครับคือเมื่อผมเคยผมฝึกลักษณะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมานานอยู่พอสมควรนะครับเมื่อก่อนๆเนี่ยจะสามารถรู้สึกสภาวะได้เร็ว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 ครับผมเออแล้วอยากจะกลับสอบถามหลวงพ่ออีกนิดนึงครับเพราะผมมีติดอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับมีอะไรนะมีติดอะไรอย่างอื่นอีกนอกเหนือจากนี้ไหมครับไม่มีขอบคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกครับนะภาวนาดีเชล่ะครับผมราะนั้นคุณนั่งหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปเรื่อยๆครับไม่ไม่น้อมให้นิ่งครับผมทีนี้วันนี้ผมพาภรรยามาด้วยครับอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยาว่สอนภรรยาด้วยครับเพราะเขาสนใจอยู่เหมือนกันนะครับชี้โมโหปะ เวลาเราโมโหนะเราก็รู้ใจที่โมโหเวลาเรามีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขนะเวลากลุ้มใจก็รู้ว่ากลุ้มนะคอยดูความรู้สึกของเราเรื่อยๆค่ะแต่สังเกตว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเกิดจากความคิดของตัวเองอะค่ะถูกต้องแล้วความคิดทางใจนะมันมาจากความคิดพยามที่ว่าจะจ่่ะพยยาาามทีวไม่คิดหรือว่าอะไรแต่ที่่ไมได้ เพระจิตมีหน้าที่คิดจิตมีหน้าที่คิดใช่ไหมพอเขาคิดไปแล้ ว, วเขาเกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้าง<ม>เกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเราก็มีหน้าที่ตามดูไปเราก็จะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวก<ม>ุศลอกุศลก็ชั่วคราวภาวนาเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่พาวนาให้เลิกคิดนะ<ม>เรื่องอะไรเราจะต้องมาแปลงร่างเป็นต้นไม้แล้วก้อนหิน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 จะดูกายหรือดูจิตดีครับดูจิตก็ได้นะเราเป็นคนช่างคิดจิตมันทํางานทั้งวันเละอย่าน้อมจิตให้นิ่งกันแล้วกันครับรู้สึกไห ม, มตอนเนี้ทําจิตให้นิ่งยังตามไม่ทันครับรู้สึกไหมจิตเราตอนเนี้ไม่เหมือนตอนธรรมดาเราตื่นเต้นเราก็เลยไปกดเอาไว้ให้นิ่งๆครับนะปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมดานะเนีย่ยตะกี้เนี่ยใจไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหม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 เห็นไหมเราสนใจสิ่งอื่นเราสนใจโลกกว้างขวางสนใจทุกอย่างยกเว้นตัวเองแต่เรารักตัวเองมากที่สุดแปลกไหมรักที่สุดนะแต่ดูแลน้อยที่สุดเลยอ้าวโยมว่าไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเรียกปิติมากคับอกเลยค่ะแต่พอเห็นปุ๊บมันก็มันก็หยุดลงกันนะคะขออนุญาตส่งกันบ้านในรอบสี่เดือนนะคะครั้งหลังสุดที่โยม สงกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าโยมกาลังเดินปัญญาอยู่ค่ะแล้วก็โยมก็เห็นคือจิตเนี่ยเขาจะเห็นไตรลักษณ์ในบางครั้งแต่เหมือนเขาไม่ยอมรับค่ะโยมก็ไม่เคยเดินจงกลมเลยไปหัดเดินจงกลมปรากฏว่าไม่ได้เห็นกายเห็นจิตเลยตอนเดินจงกลมเห็นแต่ว่าที่เราเดินไปอยู่เนี่ยมันไม่ทันใจเลยก็จะดิเราเห็นจิตแล้วน ะ, ะเราเห็นเลยว่าไม่ทันใจเลยอนะไรเนี่ย ยมก็เดินเร็วมากเลค่ะเร็วมากๆก็ยิ่งไม่ทันใจก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกให้รู้ทันใจของเรานะอย่าเดินเร็วมากเดี๋ยวล้มไปกาเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่ายมยังเดินปัญญาอยู่ไหมแล้วก็เดินถูกทางไหมเพราะว่ามันปัญญาเนี่ยนะการเดินปัญญาเนี่ยจิตไม่เดินตลอดเวลาค่ะมันจะต้องพักเป็นช่วงๆตอนนี้ไม่เดินปัญญาค่ะตอนนี้ใจมันพักนะ ให้มันพักแปะมันเหนื่อยแล้วมันจะพักเหนยเหนื่อยเฉยๆมันเห็นอะไรกับมันเห็นนะคะหลวงพ่อแต่มันเห็นแล้วมันเฉยๆมันมันไม่มีแรงพอนะจิตมันพักผ่อนก็แค่เห็นว่ามันพักผ่อนอยู่มันเนืยเน่อยแค่รู้นะไม่ว่ามันคเราจะให้เดินปัญญาตลอดเวลานะมันก็เหมือนเราไปบังคับนักเรียนสักคนหนึ่งบังคับเด็กอะเรียนตลอดเวลาเรียนในชั้นเรียนแล้วก็ไปเรียนพิเศษแห่งที่หนึ่งแห่งที่สองแห่งที่สาม แล้วก็หลับนาะในรถมาถึงบ้านนะขึ้นไปนอนตื่นเช้าก็ไปเรียนยังนันไม่ไหวฉนะ <Yeah. S 1> นั้วเราไม่ได้บังคับมันว่าต้องเจริญปัญญาตลอดเวลาเรามาตอนนี้จิตมันเจริญปัญญามาช่วงหนึ่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยเนื่อยไปก็รู้ว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยนะก็แค่รู้ไปทําใจให้สบายเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่รีบร้อนที่จะเจริญปัญญานะถ้ารีบร้อนเรายิ่งชา้า <Yeah. S 1> นะ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 อยากจะเรียนถามพ่อว่านขนาดเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกค่ะนะใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้น <c oughs> ใจมันคล่องแคล่วว่องไวขึ้น <c oughs> นะดีขึ้นอยากจะเรียนถามท่านว่าหลวได้เข้าทางเป็นผู้รู้ผู้ดูมั้งหรือยังคะเป็นสิทำไมจะไม่เป็นลายถ้าเราเลิกเป็นผู้เพง่งกับเลิกเป็นผู้เผลอเราก็เป็นผู้รู้แหละ <c oughs> แต่บกติตัวเองจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอะคะ่ะไมเ่เป็นไรไหมคะไปเดินจงกรมแทนก็ได้ <c oughs> นะหรือไปทํางานบ้านก็ได้ ทํางานบ้านอย่างกวาดบ้านไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูอะไรเงี้ยพอใจมันไหลแวบเราก็เห็นนะของคุณจริงๆดูจิตไปเลยก็ได้ดูจิตได้ชัดแต่ว่าอย่าเพ่งจิตนะตอนเนี้ยเพ่งจิตรู้สึกแปลกไปกดไปค่ะอย่า ก, กดสิถ้ากดแล้วแน่นถ้าแน่นๆแสดงว่าเพ่งแน่นตอนนี้เลยค่ะเออนะก็เพ่งเพ่งปึ๊กตะกี้นี่แหละค่ะค่ะก็ตอนนี้หนูหนุดดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วใช่ไหมคะพัฒนาขึ้นเยอะเลย ขอบคุณค่ะเจ็ดสิบหนึ่งเนี่ยนักปฏิบัติน้าไม่ส่งการบ้านนา น, านารัศการหลวงพ่อค่ะ อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำพี่ค่ะไม่แนะนำเราเลยเหรอ<ม>เราหน้าน่าแนะนำมากเลย <c oughs> จิตเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะแล้วไงอีกกลัวค่ะอะแล้วมีอะไรอีกรู้สึกไหมมีความมัวมัวมันไม่แจ่มใสร้อเปอร์เซนดออกไหม เหนื่อยเนื่อยเฉยเฉยรูย้ออกไหมเออไปรู้เอานะอ้าวให้พี่บ้างกรรมนวัสการหลวงพ่อครับครับก็เพิ่งมาครั้งที่สองครับเราเไม่ทราบว่าจะปฏิบัติยังไงครับปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะเราลืมคาว่าปฏิบัติเสียเราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อ น, อนๆในใจเราไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ก็พอแล้วครับนะ แล้วตามดูกายหรือดูใจยังไงดูใจไปดูใจไปครับร้อยสามสิบมาสักการหลวงพ่อนะครับมาครั้งแรกครับเพิ่งปฏิบัติได้ประมาณสามเดือนกับ10กว่าวันเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นอย่างมากครับหลวงพ่อภาวนานดีขึ้นแล้วล่ะนะใจมันเริ่มค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วอยากอยากทราบสวัภาพธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับหลวงพ่อครับคือตอนเย็นตอน4ี่โมงเย็น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 รู้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะขยับเคลื่อนไหวหยุดนิ่งนะครับจะกระทั่งแม้แต่เดินไปรับโทรศัพท์นะครับก็เหมือนเห็นว่าร่างกายนั้นเนี่ยเป็นคนผู้โทรศัพท์กระทั่งคําพูดนั้นเนี่ยก็เราเพียงแต่ดูอยู่แค่นั้นนะครับอแล้วก็มันติดอยู่สภาพแบบนั้นอยู่จนถึงประมาณตีสองนะครับหลวงพ่อครับจะหลับไปแล้วก็ตอนเช้าก็ยังคงความรู้สึกนั้นอยู่นะครับอ อยากทราบหลวงพ่อว่าผมจะเดินไปยังไงดีครับพอนาไปอย่างนี้แหละนะยังไม่เกิดมรรคผลหรอกนะแต่ว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเบิกบานเรื่องออกแล้วใช่ไหมมันมีความสุขขึ้นมาได้จริงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพราะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะขันมันจะแยกออกไปเราเห็นร่างกายมันทํางานเห็นปากมันอ้าบะง่าบง่าบเห็นความคิดไหลขึ้นมาเองไม่ใช่เราคิดแล้วความคิดมันไหลเห็นขันมันทํางานไปเรื่อยๆ ถัดจากนี้ก็คือดูเขาทำงานไปอย่าเข้าไปแทรกแซงของคุณตอนนี้ติดนิ่งๆว่างๆอยู่นิดนึงดูออกไหมไม่ค่อยออกแล้วหลว่ครับรู้สึกไหมจิตตอนนี้นิ่งๆตอนนี้ตอนนี้เป็นครับต้องไม่เอาเลยตรงเนี้ยนะอยู่ตรงนี้ไม่ดีนิ่งๆว่างๆโล่งๆนี่ไม่เอานะออกมารู้กายมารู้ใจใหเห็นกิเลสนะดีกว่าเห็นว่างๆซะอีกนะอย่าให้ติดตัวนี้น ะ, <ม>ะต่อไปเชิญกลับบ้าน